หน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจรเดินเข้าไปชาติคุณเรื่องให้ประเทืองและงามวิไลอาณาไม้พระปานําไปขอตั้งใจอาสาเกษบาลโดยรับงานมากมายหลายนานเจ็บหรือตายหุ่นวายใหญ่บ้านเกษบาลต้องรับแจ้งมาเราทํางานที่ทางานพรอะไปทุกนาเพื่อนครนิวัฒนพนาเป็นวัน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามธลเพื่อฟื้นคนะานให้ับมั่ใจด้วยการรับใช้กันไปเหนือยไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทนสสั์ทั่วกันเทศบาลเรามีช่วยสำพัญ ความร สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจริญก้าวไกลชาติเป็นเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม่พระปานางไปขอตั้งใจอ า, าอสาเทศสบาน่วยรับงานมากมายไล้ล่านเจ็บหรือตายหุนไว้ใหญ่บ้านเทศสภาลต้องรับแจ้งมาเป้าทำงานที่ทำ ง, งานพรอมไปทุกราเพื่อนครนิวัณ์นาเป็นคน เทสบานคือบันไดของการปกครองตามกาลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อพู้คนพลังให้จำบังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเทศของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทานิสุขสันต์ทั่วกันเทศบาลก็คือเรามี่ช่วยสัมพันธ์ แห่ ง, งประเทศศิลอาศที่ลังศารรถดีเมืองพระศรีพนมมาตรแหล่งไม้กว่าตองกงดอหอมแดงเรื่องชื่อนมระบืดตำนานเมืองหม่ๆมวิสัยทัศน์ของเทศบาลศีพนมมาพคือศูนย์กลางแห่งอารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองละแลกที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลาย สวัสดีครับคุณนัวฟังครับพบกับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลสีพฤฒมาศเมืองละแวกครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่29กันยายนพุทธศักราช2565หลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้พบกับรายการสารานารู้17นาฬิกา30นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆของทางราชการและบทเพลงตามคําขอเชิญนักฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ ก็บอกมีโอกาสเห็นคำสัญญาให้ไหว้คงท่าดวง ใ, ใจด้วยความทุกข์เห็นดวงจินที่ไรคนเห็นอย่าพ่อเนือเย็นมาหลายร้อปีบังลมคงเลยใจใสลายเหือสุดท้ายไอ้หูโตดี ว่าไม่มีทางในย่างจุงมือทับคนดีพบผมนี้เขาสองต่างกันบ่หัวตาที่เล่าย่อนเยทอนอยันความผิดหวังมันจังเลือกอายใจปวดร้าวทุกอย่างหายใครอายตายแบบบ่มีเจ้าบ่หัวตาไมีอายเปนยังเรืองราวคาหลัง รักทำลาหัวใจนี้ให้แพ่ภัยคงเกือดร้องตายอีกพันปีอายในที่สมหวัง สุดท้ายไอาูุโตดีว่ามันมีทางในย่างจงมือกับคนดีเพราะผมนี้เข้าสองต่างกันบอกหัวซาที่แล้วยนเหตุผลยั ง, ยงความผิดหวัง จะเลือกอายใจปวดราทุกอย่างใครให้ต้แบบปอมีเจ้าบ่ัวตาดมีอายที่ยังยเรื่องรากควาหลังคือเลือกทำไรว่าใจนี้ใแพ้พังตองเกิดต้องตอยาย ก, กี่พันปีอายนี้สิสมั่นขย้อนเวลาขึ้นได้อรือี พกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันพฤหัส29บซึ่งวันนี้ครับ หลังจากที่ประกาศไปเมื่อวานในเรื่องของฉบับที่14เกี่ยวกับเตือนภัยพายุโนรูคุณผู้ฟังนี่ก็29แล้วครับปรากฏว่าสถานการณ์ก็ยังมีปลยปลายลงมานิดหนึ่งเขาบอกว่าสาเหตุครับเพราะมาเข้าแถบนี้แล้วก็เจอกับเทือกเขาคุณผู้ฟัง ซึ่งถือว่าเป็นเกราะคุ้มกันไทยจากโนรูครับเป็นเทือเขาในเวียดนามนะครับเวียดนามลาวแล้วก็ปลายอยู่ที่เขมรครับเป็นเสมือนกับเกราะคุ้มครองไทยจากโนรูและพายุใหญ่ที่เข้ามาทางเวียดนามจากกรณีพายุ depression โนรูครับซึ่งวันนี้ครับเวลาประมาณบ่ายโมงศูนย์กลางของพายุอยู่บริเวณอำเภอ ปลบือครับจังหวัดมหาสารคามหรือที่ละติจูด16องศาเหนือลองที่จูด103องศาตะวันออกโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเบาแล้วนะครับเพราะทีแรกนี่ความเร็วศูนย์กลางอยู่ที่181ตอนนี้ลดมาเหลือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงตามที่เสนอข่าวไปแล้วครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตร ศ, ศาสตร์ก็บอกผ่านเฟ e บุ๊กครับให้ความรู้เกี่ยวกับการลดระดับความรุนแรงของพายุว่าพายุหมุนเกิดในทะเลตายในเทือกเขานี่คือประโยคสั้น ซึ่งเขาาก็อธิบายครับว่าโนรูที่รุนแรงตอนตอนนั้นขึ้นฝั่งได้อ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วทำให้ประเทศไทยไม่เดือดร้อนมากไปกว่านี้และโนรูตายที่ไหนตอบก็คือพายุหมดแรงบนอันนำเทือกเขาที่เป็นเสมือนกับเกราะคุ้มครองไทยอันนำครับไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยซ้ำ เทือกเขาอยู่ในเวียดนามในลาวและมีส่วนปลาอยู่เขมรแต่เทือกเขายาว 1,100 กิโลเมตรสูงถึง 2,800 เมตรคือประการธรรมชาติที่ปกป้องประเทศไทยมาหลายครั้งหลายคราก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่พายุโนรูนะครับมาเจอเจอกับเทือกเขาอันนำทำให้อ่อนกำลังลง แล้วก็ทำให้ผลกระทบในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าที่คาดการไว้นะครับก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับพยุโนรูล่าสุดกับที่มาเล่าสู่กันฝั่งครับ ทุกอย่างเพื่อสิรังอายแต่สุดท้ายอายก็บออยู่น้องจังไดเรียนรู้และไดเข้าใจการจากลากงเก็บใจบ่ฟื้นไปตอยอมแควนขอด้วยยศน้ำตาดีกว่ายื้อเวลาคบกันไปแต่บ่ไดฮักกัน กล่องของขวัญที่อยู่กับน้องมันเป็นกล่องของเขาคนนั้นน้องคงเบิดสิทฝันถึงหักอายสัมได สาวอายผ่านจอมือถือนับวันนับมือนับจนนิ้วสกิวแล้วนาะสถานการณ์ยังคีดยังกันเลื่อนวันสัญญาพอแห้งแลงและเด้นองลาใจคนทามันจอยมันพอ้อสองแต่แก แนแต่น้ำเป็นตาหัก้าลอาบน้ำแล้วไม่ไหมกรุ่นผมเรือนกายจำของสิห้องบิงวิดีโอคอได้เห็นได้ยินแต่ไรกินดมดองจูกจอมือถือมองมองรอทาเมือพร้อมจับซิเมนมือได้ แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์เคียบเบืองรูปสมัยแรกจรีก็สมมุติเอาว่ากอดแบบใดในโลกความจริงยังกอดนิสินกอดความเดียวได้ผูกขังในคางเมืองใหญ่ยังเมื่อบอดได้เจ้านายพรนว่าใจขึ้นทอง มบืนให้รอดไปฮอดกว่า น, นั้นอยากเมื่อเอารางวัลเมื่อเหาพบกันจงไว้ให้แน่นะยานคนหลอน ย, ย, ยามใสย่านแท้เดยาอยู่ห่างตากอดทิพย์ไปก่อนเด้อลาแล้วอายสิบมากอดนางจริง สมัยแรกจีก็สมมติเอาวา่ากอดแบบใดในโลกความจริงยังกอดนิสินกอดความเดียวได้ผู้ขังในลางเมืองใหญ่ยังเมื่อปอดใดเจ้านายิันวาบอกใจคิดโถงบืนให้รอไปฮอดวันนั้นอยากเมื่อเอารางวัล เมื่อเฮาพบกันจงไว้ให้แน่นะนยานคนลอยยามใส่ ย, ยานเทเดียมอยู่ห่างตากอดทิพไปกอนเดินลาแล้วอายสิพาความคือทอดมากอดคัก สาระน่ารู้วันนี้ครับผมหยิบเอาอาการนี้มาฝากคุณผู้ฟังอาการไอเรื้อรังหลังหายโควิดครับจะอันตรายไหมแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์ครับถ้ามีอาการไอเรื้อรังหลังจากหายโควิดแล้วเป็นมาสักพักใหญ่ๆเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มกังวลแล้วว่าอาการไอที่เป็นอยู่จะอันตรายไหมเกิดความเป็นลองโควิดทั่วไปหรือเปล่าซึ่งปัญหาสุขภาพแบบนี้ ก็ไม่ควรละเลยครับเพราะหากมีความผิดปกติจริงๆอาจลุกลามไปไกลได้ดั ง, ง, งในั้นใครที่ไอเรื้อรังหลังหายป่วยโควิดลองมาเช็คดูว่าแบบไหนที่ไม่ควรปล่อยไปปล่อยไว้นะครับต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายสําหรับคนที่มีอาการไอเรื้อรังหลังหายโควิดครับแล้วพบความผิดปกติดังต่อไปนี้ต้องรีบใส่ใจนะครับ อาการไอผิดปกติไม่ว่าจะไอที่ขึ้นไอรุนแรงขึ้นหรือเสียงไอเปลี่ยนไปสีและลักษณะของเสมหะเปลี่ยนไปเช่นเสมหะข้นเหนียวมากขึ้นหรือเสมหะปนเลือดออกมาไอเรื้อรังไอหนักเกิน3เดือนนอกจากไอแล้วยังมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วหายใจลำบากหายใจเหนื่อยหากมีอาการไอเรื้อรังร่วมกับไอผิดปกติข้างต้น อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะอันตรายอื่นๆของร่างกายได้เช่นโรคเกี่ยวกับปอดหรือโรคหัวใจดังนั้นอย่าชะล่าใจและปล่อยปละละเลยครับแนะนำให้รีบไปเช็คสุขภาพกับแพทย์โดยเร็วจะดีกว่านะครับก็เป็นวิธีสังเกตอาการครับว่าไอาแบบไหนที่ไม่น่าปล่อยไว้ครับที่หยิบ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ สักกีวันถ้าหากว่ายังรักกันก็ดูแลกันหน่อยก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไม่มีโอกาสแกไขอย่ารอให้ความเสียใจกลายเป็นความเจ็บสุดท้าย กวนจากกันถ้ายังรักกันอยู่วันนี้อย่ามัวคิดจะแข่งขันทำสิ่งที่ดีให้กันดีกว่าไหมเพราะบางคนเกิดมาเพื่อพบแต่ต้องจบความ อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายหากยังมีลมหายใจก็ ด, ดูแลกันให้ดีดีอย่ารอคอยวันเวลาให้โชคชะตามากำหนด รอให้ถึงตอนจบก่อนพบเฟินชัยถ้าหากยังมีกันอยู่มอดูแลดีดีด้วยหัวใจเราะวันคงมีไม่รู้มีกี่วันอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ อย่ายิ้มให้กันอย่าทำในสิ่งที่ฉันวนวีนในตอนที่มันไฟอย่าเปลอาฉันให้ฉันรู้สึกดีมาวันนี้ฉันตื่นกอดเธอไม่ได้อย่าขอโทษฉันกับสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจในวันที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้อะไรกพรเพราะว่าฉันคงตื่นมาไผยให้เธอไม่ได้ โชคชะตามากำนอนอย่ารอให้ถึงตอนจบก่อนพบเส้นชัยถ้าหากยังมีกันอยู่ก็ดูแลดีดีด้ดวยหัวใจเราวันพรุงนี้ไม่รู้มีอีกกี่วัน บอย่าหยุบให้กันอย่าทำในสิ่งที่ฉันโลนวนในตอนที่มันสายอย่าปล่อยฉันให้ฉันรู้สึกดีมาวันนี้ฉัน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 ใครให้เธอไม่ได้อย่าปลอบฉันให้ฉันรู้สึกดีวคนนี้ฉันตื่นกดเธอไม่ได้ก็เพราะว่าฉันคงตื่นมาใครให้เธอไม่ได้ เข้าสู่ช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังมี1ข่าวครับในเรื่องของการปรับราคาน้ำมันซึ่งจะมีผลวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังก็เป็นน้ำมันกลุ่มเบนซินแครับกลุ่มแกโซฮอลนะครับทุกชนิดก็จะขึ้น40สตางค์ต่อลิตรครับยกเว้น E85 นะครับปรับขึ้น20สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลราคาคงเดิม แล้วก็มีผลวันพรุ่งนี้ครับะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะ้ํามันขึ้นอีก40สตางค์นะคุณผู้ฟังยกเว้น E85 E85 จะขึ้น20สตางค์นะครับก็เป็นเรื่องของราคานะ้ํามันกลุ่มเบนซินกับส่วนดีเซลอย่างปรึงราคาไว้เท่าเดิมกับแล้วก็มีผลตีหวันพรุ่งนี้นะครับ ที่กรีที่เทลงแก้วบอกอายเทแล้วว่าเอาโซดาเจ้าบอกสิเอาน้ำตาใส่แทนโซดาลองเบิงจ้าคืนเห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียวมูเข้ามาเที่ยวมวนแต่วินเวิ้นมาติดต่อกันหลายคืนนั่งโต๊ะประจำทำใจทุกที ลลายเถื่ออายได้ยากนายามเจ้ากลับบ้านเบาไอเห็นแล้วรู้ตนจนอดบอดไ อ, อลอีให้คนบ่หักให้เขาเบาดคักเราบ่หัวใจเจ้าจังมานางห้องไอ สิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสว่างบ่เป็นตาเส้นจัดน้อยแนตีมันซอยใดอยู่บ่ดีกรีใจเจ้ามื่อนี้ยังหักไพ่อีกใดบ่ ให้ใจฟื้นขึ้นมาได้เลยให้เขาบัดใจเขายังกิมน้องใส่ไอเ อ, อ้ใจน้องพังคักรีกให้คนบ่หักให้เขาบัดคักอยู่อยหูใจแต่สิ่งที่เขาเคือ ก็จัง I เห็นวันนี้ขอบคุณ วันดีไพสิมีแห้งกะสร้างท่อบ่ปายตามระเบียบเสร็จเขาจนได้ญาติผู้ใหญ่คือศีน้าบ้าน้านกระดงกะฮักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดคงมันอยู่บ่อใดอยากอายเขาโอ้โ้โอ้าอ้โอ้โอ้โอ้ ยังสิพ่อพ่อสิขาคนจังหนึ่งให้ตายไปจากใจเขียดให้คักคั ก, กเบิรเหล่าจักวาจากักไฮก็ยังบ่าตา ย, ยังบ่าตายไปจากใจจ้า เบื่อสิคิดหอดแค่ใดแต่กอดเสาเทียงแนมไปกองเฟียงก็เห็นแต่หนาขาวขาเขามาก็เมาพอตายยังเห็นแต่ภาพ ก, กองก้ากูคิดทอดเขาโอ้ยมันเจ็บพราะปานสิใจคาทับไปกับสายลมซาอยู่หลุดไปคือเบาที่เอาคืนบอดใจให้เราเขปาปาสมัครจนน้ำตา วันนี้ครับคุณฟังในช่วง9้าโมงเช้าครับก็มีการเปิดประชุมสภานะครับซึ่งเหตุการณ์ข้างในก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเรื่องที่ผ่านการเห็นชอบนะครับจากในสภาครับทั้งคณะผู้บริหารรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล น, นะครับมีเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องที่นำเข้าสภาขอความเห็นชอบครับเพื่อจะได้ นำมาพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวฟังผมเล่าสู่กันฟังครับอันดับแรกคือการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มครับซึ่งก็จะจัดการบริเวณริมคลองคุณผู้ฟังข้างสนามกีฬานะครับตรงนั้นก็จะเป็นมีเปตองก็จะย้ายเปตองมาอยู่บริเวณสนามอีกฝั่งหนึ่งครับอีกด้านหนึ่ง ซึ่งสนามกีฬาที่ว่าครับก็ไม่ได้ใช้แค่คนที่จะเล่นกิจกรรมครับเป็นสนามฟุตซอลเป็นเปนตองเป็นวอลเลย์ต่างๆครับก็จะมีก็สามารถที่จะเปิดให้ใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นในร่มแล้วมีอัศจทร์สาหรับกองเชียร์เผื่อว่าเราจะจัดกีฬาชุมชนกันก็จะได้ไม่ต้องตากแดดตากฝนกันอีกครับคุณผู้ฟัง ก็จัดในที่ร่มเลยไม่ร้อนด้วยก็จะได้สนุกสนานด้วยไม่ต้องมากังวลว่าร้อนเกินไปแล้วจะเหนื่อยง่ายร้อนเกินไปอาจจะทำให้เป็นลมเป็นลมขึ้นมาคราวนี้ก็จะได้จัดกันในร่มหรือใครที่จะมาใช้การแข่งกีฬาก็จะได้เปิดใช้ด้วยเป็นศูนย์ศูนย์กีฬาในร่มคุณู้ฝั่งก็จะได้เปิดใช้งานหรือใครจะมาใช้ ก็สามารถที่จะใช้ได้อ่าสำหรับตรงนี้ครับสำหรับเรื่องของการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการก่อสร้างศาลาปริจฐานพระเหลือครับซึ่งแน่นอนหลายท่านคงทราบดีพระเหลือถือว่าเป็นพระคูบ้านคู่เมืองลับแลของเรามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็จะได้เป็นจุดแลนด์มาร์กอย่างหนึง่ง ซึ่งเล็งสถานที่ไว้ก็บริเวณอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาตรบริเวณสานเจ้าบริเวณตรงนั้นพอไว้ตรงนั้นปุ๊บหมายความว่ามาสักการะพระศรีพนมมาตรที่เดียวก็จะได้สักการะพระเหลือด้วยรวมถึงมีการสร้างสํะพาญเชื่อมไปยังสานเจ้าปึงเถากงปึงเถามาศรับ แ, ล, แลด้วยเรียกว่ามาที่เดียวสักการะได้ถึงสมอย่างก็ถือว่าเป็นจุดแลงมาร์กอีกอย่างหนึ่งของ สิ่งพิทัมาติของเมืองรับแรของเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีการปรับปรุงกันมาเรื่อยมาและคาดว่าจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมซึ่งแอปพลิเคชันก็จะนําในเรื่องของความสะดวกต่างๆรวมถึงข่าวสารที่ฉับไวมากขึ้นเรื่องราวต่างๆมากขึ้นการร้องเรียน การพูดคุยกับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นเพราะทาในโทรศัพท์มือถือซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหลายคนคงมีโทรศัพท์ที่เล่นลายเล่นแอปต่างๆได้ก็จะได้นำตัวนี้เข้าไปเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนมากขึ้นและอีกหนึ่งเรื่องรับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รอมานานในเรื่องของรถน้ำในเรื่องของรถขยะ ที่จะเพิ่มขนาดให้มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้รถขยะสองคันก็วิ่งสองรอบเพราะว่าบ่อขยะของเราไม่มีแล้วถูกปิดไปแล้วเราต้องอาศัยบ่อขยะจากทางในเมืองซึ่งวิ่งวันหนึ่งก็หลายกิโลครับวิ่งสองรอบด้วยคุณผู้ฟังรอบเช้ารอบบ่ายวันหนึ่งวิ่งหลายรอบ อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจะดีกว่าไหมถ้าเพิ่มขนาดของรถให้ใหญ่ขึ้นแล้ววิ่งรอบเดียวประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของปริมาณที่มากขึ้นด้วยแล้วก็ปลอดภัยกว่าเดิมด้วยตั้งหนึ่งรอบเพราะไม่รู้ครับว่าบนท้องถนนจะเกิดอะไรขึ้นรวมถึงในเรื่องของรถน้ำที่จุน้าได้เพิ่มขึ้นเวลาที่จะใช้น้า จะเติมน้ำหรือนำน้ำไปใช้ประโยชน์นก็ไม่ต้องวิ่งหลายรอบวิ่งแค่รอบเดียวตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมานะครับทําผู้บริหารเสนอส อ, อผ่านการเห็นชอบครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนตามคอนเซปต์นะครับของทางท่านนายกว่าเลือกมาครั้งนี้ เลือกจัดสดาคุ้มค่าแน่นอนอ่ะกนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นทีมงานทางผู้บริหารนะครับที่เล็งเห็นครับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านครับหลายคนอาจจะสงสัยทุกครั้งเวลาที่มีแบบนี้มีการเสนออะไรต่างๆแต่พอได้เห็นประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ก็เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็หายสงสัยครับ แล้วก็หายสงสัยว่าเอ๊ะซื้อมาทำไมสร้างมาเพื่ออะไรก็ต้องรอก่อนครับรอที่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นการใช้งานก่อนว่าเป็นแบบไหนเพื่ออะไรก็เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนครับและนี่ครับทั้ง1 2 3 4 4อย่างนี้ครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2566นะครับ ก็ขอทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและนำมาเล่าสู่กันฟังผ่านเสียงตามสายด้วยครับ ว่าดีน้องหักอายบอกกะหักคือกันละนอ้องขนน้องบอกหักของบอกล้าเเ้าเจ้าคนชั้นสูงเรียบดงนกยูงอายมันนกเจ้าเอาตาเดียวตายาว้าแบ่งชนแบ่งเผ่าเฮาคนคือกันขันเว้าจังสั่ ให้ยืนยันได้บ่อนอนให้ลีลาวดีเห็ดยังเบามาอยากปังเสีเยเพพาหอมแก้มไอ้ได้บ่หุ่กะไอ้คนนอกให้สิกล้าบ้านนะั้นเห็นบ่หลักเจ้าบ่ฮักกันแค่อายห้ออมยังบ่เห็ดไา้นอนสิหอมกะได้ มอมอไอ้สิพร้อมข้ามคำวันค้ามคืนแม่นองเติ้ลสิเป็นเรื่องใหญ่ไอค้คนต่ำต้อยได้หักกับเจ้าเพรายานความตายจังเป็นคนปากหวานเป็นไห้น้องกากอายยอมตายออไอ้หักเจ้าอีหลี ลีลาวดีอายววาจากใจยังนั้นบอกชัดแววไม่เรวัดหักไผยเววไมเดียวนี้ตั้งใจฟังเดินอายหักผู้สาวื่อลีลาวดีนับเข้ามามีแนวบอกกีผู้บ่าวลีลาวดี ยังแม่น้องตนสิบเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คนต่ำต้อยได้หักกับเจ้าพยานความตายจับเป็นคนปากหวานเป็นให้นองกากไอ้ยอมตายดำทีไอห้อหักเจ้าอีหลีลีลาวดีไอ้ว้าจากใจยี่ยนั้น วัดหักใครเฝ้าไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเด้อายหักผู้สาวเชื่อลีลาวดีนับเข้ามามีแนวบอกทีผู้เฝ้าลีลาวดีชื่อเ ร, ว, เนนรวัตต์แมนบอนอ์บอกใีหนีได้ไห อย่างน้อยน้อยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใดอย่างน้อยน้อยน้องก็ได้มีความทรงจำดีๆมากมายขอขอบคุณหลายลายที่เข้ามา ใจตอนที่สองเฮายังมีกันแต่ก็คู่ดีบ่มีโอกาสไปทายแล้วมองนั้นจนอย่างไปไกลสุดฟันเก้นตานูยงขินปวดบางเวลาก็ยังขินถึงความหลังตงั้งที่สองเฮาเคยผ่านมาแต่ก็คู่ดีว่าบางทีเขาจะคงบอกลามาน้องเขา ที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิตน้องบอคนื่อเรื่องขอเงเราที่จบลงง่ายไดแม้สิู่เสึกวามันเร็วเกินไปแต่กูเข็ยังมอ้ Stay. จังสิใด้เป็นแฟนายล้วนองใจประสมอายมาหมายมันันตอโอฮาโอาโ อ, าโอลานลบาใจนองลายใจประสมส่งจังได้เสื้อน ไานิกา กับคุณโฟังครับหมดเวลาของรายการสิงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพุมบ้านเมืองลับแหล่แล้วนะครับพบกับรายการได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นกาถึง8นาิกาและพัาเกียนตั้งแต่เวลา17นาิาถึง18นาฬาครับสำหรับวันนี้คงต้องนำรายการจากลาคุณนอฟังไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ